สแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดายอยู่นั่นเองตอนเองมีความสศกเป็นธรรมดายอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดายอยู่นั่นเองตอนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดายอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้าน เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายบุตรและพัญญามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทาตหญิงทาตชาย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 พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกภิกษุทั้งหลาย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 โดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียวเกสายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปราถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือน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 จะมีมาเมื่อไหรนะ่หรือว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยมันจะขาดสนเมื่อไหรนะ่หรือว่าจะมีเหตุเพศภัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโจรป่ากาเริบหรือว่ามีการแตกกันของสงฆนะ์ซึ่งนั่นก็คือผู้นำที่จะมาบอกสอนพระสัตธรรมนั้นนะเกิดการแตกแยกกันซึ่งธรรมชาติ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 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุขแม้ในกล่าวที่เกิดโจรภัยดังนี้หภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามคีปรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกัน